ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงลงอุกเขเปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติปริวาสของภิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นถูกเรียกเข้าหมู่อีก